คนลยุยุดหยุดความเครียดไม่โกรธเกลียดเบียดเบียนใครเสียสละกล้าให้แจกน้ำใจไม่มีจนคนลยุยุดหยุดความเครียดไม่ยามเหยียดเดียดฉันคนเมตตาพาพึ่งตนยอดอดทนเป็นคนจริง อันตรายจากความเครียดนั้นมีมากมายหลายประการต่อสุขภาพกายและใจแล้วเราจะขจัดมันได้อย่างไรต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังธรรมเทศนาเรื่องกลยุทธ์หยุดความเครียดตอนที่สองโดยท่านพระโพธิรักษ์ณพุทธสถานปฐมอโศกได้ณบัดนี้ สำนึกดีทุกๆคนวันนี้เราจะเทศถึงเรื่องกลยุทธ์หยุดความเครียดต่ อ, อมีผู้ได้ตั้งคำถามอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นจุดในการบรรยายนี่ขึ้นมาอย่างดีอตาตมาเขาจะบรรยายตามจุดที่ถามหรือว่าเป็นจุดที่จะเป็นข้อคิด เหล่านี้กันต่อไปอถามว่าทำไมความเครียดจึงเป็นสาเหตุให้เป็นมะเร็งความเครียดก็บอกแล้วว่ามันเป็นสภาพผลของกิเลสเป็นผลของ โลภโทสะดังที่ได้อธิบายไปแล้วนะเมื่อมันไม่สมใจตนมันก็กดดันสะสมมันก็มากขึ้นมันก็มีความมีความกดดันน่ะมันมีความทำให้อะไรรภาวะในสรีระร่างกายมีผลต่อเนื่องกันเมื่อมันมีผลต่อเนื่องกันในร่างกายแล้วมันก็ทำให้อวัยวะต่างๆสรีระต่างๆ เกิดสภาพที่มีระบบหมุนเวียนหรือระบบที่จะทางานไม่เป็นไปตามขนาดไม่เป็นตามสัสดส่วนไม่เป็นตามสิ่งที่พอเป็นพอไปนะมันก็มีความกดดันตรงนั้นมากบ้างตรงนี้น้อยบ้างนะโดยเฉพาะกดดันตรงนี้นมากตัวนี้มากทุกๆส่วนสัตว์แหละ เพราะว่าจิตวิญญาณกับร่างกายเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่จะต้องทำงานร่วมกันจิตเป็นเป็นประธานสิ่งทั้งปวงแล้วมันก็จะใช้พลังของจิตเนี่ยให้ไปทางประสาทแล้วก็ไปจากประสาทแล้วก็ไปทางอะไรอะไ ร, ะไรต่างๆสรีสระต์ตั้งแต่ต่อมจนกระทั่งตั้งแต่ยังไม่มีต่อมต่อมไร้ท่อไปจน ก, กระทั่งมีต่อมอมีปมมีจุดอะไรมันก็จะไป จัดการขยับเคยื่อนจนกระทั่งสัง่งให้กล้ามเนื้อสัง่งให้อะไรตะไรเป็นอะไรทุกสุขส่วนแม้แต่ข้างในร่างกายที่มีภาวะระ บ, บอกว่ามันทํางานน่ยจริงมันก็เป็นทํางานมันก็เป็นรูปร่างกายมันก็เป็นรูปร่างที่มันจะต้องทํางานตามระบบเหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ยข้อเวียงก็ทํางานหน้าที่ข้อเวียงลูกสูบทําหน้าที่ลูกสูบลูกโซ่สายโซ่ทํางานลูกสายโซ่อะไรเี้เป็นต้นมันก็ทํางานตามหน้าที่ของมันตามอาวัยวะและแต่มันต้องมีพลังอันหนึ่งเข้าไปกระตุ้น แล้วก็ถึงจะมีพลังรวมพลังเข้าไปกระตุน้นนั้นก็เป็นพลังอย่างอย่างรูปเครื่องกลย่อยๆเราก็อาจจะดูได้ว่ามันมีพลังไฟฟ้ามันมีพลังความรอ้อนมีพลังความอะไรต่างๆนา น, นา น, นี่เป็นพลังงานอะไรเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นไปไปทำให้มันเกิดบทบาทการทำงานขึ้นมาเป็นจกนักรกลสรีระ ก, ก็เหมือนกันกระเพาะหัวใจตับไตไส้พุงอะไรมันก็ทำหน้าที่ของมัน มันมีอะไรเป็นองค์ประกอบรวมกันเข้าไปอีกมันก็จะมีมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอะไรเข้าไปร่วมสังเคราะห์อีกลึกซึ้งสลับซับซ้อนมากมายมันก็ทางานของมันแต่มันก็มีจุดสำคัญอยู่ที่จิตปัญญาเป็นตัวหัวหน้าใหญ่ที่จะต้องเข้าไปกระตุ้นเข้าไปสั่งการเข้าไปชี้เข้าไปทำงานอะไรต่างๆเป็นตัวหลัก ซึ่งเป็นเรื่องวิจิตมากไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญเพระาะว่าจิตวิญญาณนี่สั่งการอะไรต่างๆนาน า, นานเนี่ยมันวิจิตมากแต่ทีนี้เมื่อมันเกิดสับสนเกิดเครียดเกิดความแปรปรวนเกิดความไม่เป็นระบบไม่เป็นระดับไม่เป็นขนาดที่ถูกต้องตามสภาพที่สมบูรณ์ของมันมันก็เกิดไปกดดันเปลี่ยนแปลงอันนั้นอันนี้เข้าจนกระทั่งมากเข้ามากเข้าก็เป็นพิษต่อ ระบบตั้งแต่ระบบธรรมดาไปจนกระทั่งถึงศรีระถึงเนื้อทั้งนั้นนะทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้ง อ, อ, อ, อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตร่างกายก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเราะเป็นไปตั้งแต่ปมปมๆพอมันผิดเพี้ยนมาแล้วมันก็เกิดการขัดเ ก, เกิดการ เกิดการไม่ไม่ไม่สะดวกเกิดการขาดเกิดการกระทุง้งกระแทกกระเทือนอกลายเป็นบออเป็นช้ําเป็นอะไรต่างๆนานาแั้วก็เป็นได้หมดที่มันจะเป็นสภาพที่มันเป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดส่วนเกินออกมาเราก็เรียกมันว่ามะเร็งส่วนขาดก็เรียกว่ามันมันน้อยไปก็ไม่รู้จะไปเรียกอะไรมันก็ไม่ทํางานไม่ทํางานมันก็ตาย พรส่วนสําคัญอวัยวะสําคัญที่ทํางานไม่ไม่ได้แล้วมันก็ตายส่วนเกินก็เรียกว่ามันมากไปมันก็เป็นเรียกว่ามันมะเร็งเป็นได้หมดนะตั้งแต่มะเร็งตั้งแต่เริ่มมาเป็นต่อมตั้งแต่ต่อมนั่นต่อมนี่ต่อมน้ำเหลืองต่อมเลือดต่อมนั่นต่อมนี้ไปจนกระทั่งถึงออกมาปะทุออกมาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นมะเร็งในเลือดเป็นมะเร็งในเนื้อเป็นมะเร็งในอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้น นี่คือสภาพเกิดมาจากจิตปัญญายเป็นต้นเหตุมีโรคอื่นอีกหรือไม่ที่มีสาเหตุมาจากความเครียดเราคงถามว่านอกจากโรคมะเรง็งมีโรคอื่นอีกหรือไม่ที่เป็นเหตุมาจากความเครียดมากมายที่มาจากความเครียดมาเป็นโรคมะเร็งก็ได้แล้วมาเป็นโรคอะไรอีกมากมายไปถามหมอเ็ดูเอะ โรคความดันโรคกระเพาะโรคประสาทเนี่ยสำคัญมากโรคประสาทเน่ยโรคอะไรทั้งไรสารพัดจากความเครียดทั้งนั้นแหะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้สําคัญที่สุดเลยถ้าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้ว ร, รู้สาเหตุใหญ่มันมาจากความโกรธความโลคความหลงผิดที่เราไม่รู้ชัดรู้แท้เนี่ยอย่างที่เราได้อธิบายแล้วเมื่อวานนี้ในร า, รายละเอียดที่ว่ามันเป็นมาอย่างไงมันอะไรอะไรยังไงต่อทอดยังไง น้ำมันวานี่ได้ขยายความมันั้นแล้วก็จะเห็นชัดเจนนะราะเราเนี่ยมาเป็นนักปฏิบัติทำแล้วเราวังมันมาไม่เครียดได้อีกน้ำมันวานี่ก็ได้พูดแล้วอย่าว่าจะไปเครียดอยู่ข้างนอกเลยมาข้างในเนี่ยมันก็มาเครียดได้อีกมันก็มีปมมีความเข้าใจผิดในกิเลสมันมะถือมานะถือดีถือนั่นถือนี่กันอีกแล้วมันก็เกิดความกดดันอีกเหมือนกัน ซึ่งเราไม่ควรเลยเพราะว่าเรื่องที่จะไปแข่งขันห ย, ยาบๆ อ, อย่างโลกเขานี่เอาเป็นเอาตายเขาก็เลิกกันไปแล้วเอ้ยเราเราก็เลิกกันไปแล้วเรามานี่ก็มาเอาเป็นเอาตายอะไรกันอีกในที่นี้อีกก็แสดงว่าเราเองนี่เราไม่เจริญทางจิตวิญญาณไม่เข้าใจเพียงพอและระวังอย่าให้ขึ้นชื่อว่าพอเรานะักปฏิบัติธรรมแล้วยจะไปเป็นโรคความเครียดเอาความเครียดในตัวนี้ก่อนที่มันจะไปเป็นโรคอื่นนะนะเป็นโรคความเครียดเนี่ย ระวังอย่าให้มันเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนชื่ออย่างนั้นทีเดียวเสียชื่อ ช, อชาวอาโสกหมดแม่นักปฏิบัติธรรมในระดับเอาจริงเอาจังนีเงเง่เป็นโรคความเครียดให้มันเบิกบานเบิกบานผ่องไสที่เห็นไหมเนี่ยอาตมาได้รับคำชมจากจเจ้าอาวาสมาชาวายิ่งแก่ยิ่งหนุ่มเหมือนกันเนีมันเป็นยังไงยิ่งแก่ยิ่งหนุ่มนะซึ่งก็ดู ด, ดูก็เขาถามเงินนะดูดูก็พอเป็นจริงเป็นไป ก็ไม่ใช่ว่าพูดไม่มีหลักฐานมันก็มีหลักฐานด้วยนะยิ่งแก่ยิ่งหนุ่มมันเป็นจริงนะคุณมันก็ปลีกกระเปล่ามันมีอะไรสมบูรณ์มันก็ได้รับความสมดุลมากขึ้นมีอะไรแต่ไรที่จเจริญงอกงามได้เพิ่มขึ้นมันเป็นไดนะ้คนเราที่สุดโทมไปพราะมีเหตุที่มันไม่สมดุลนนหลายๆประการแม้อายุยังน้อยแต่พอเราจัดระบบของเราได้ดี อายุเราจะมากขึ้นด้วยซ้ำไปแต่เราก็จัดระบบของเราได้ดีปฏิบัติได้ดีแต่ก่อนได้ดูแก่แก่เพราะระบบของมันเหลวไหลมันผิดสัดผิดส่วนมันมีอะไรตัวอะไรต่างๆมากมายมันก็เลยกลายเป็นโอ้โห ส, สุดๆ ส, ดสมๆหน้าตาสรีระไปไม่มีราศีราสันนะอวัยวกะก็ไม่ดีนะความหมุนเวียนของสรีระสุขภาพก็ไม่ดีพอเพอราจัดระบบแล้วนี่จากจิตเนี่ยเป็นตัวประทานสิ่งทั้งปวงดีๆแล้วนี่นะมันจะทําให้ระบบสรีระองค์คาพยศอะไรของเราต่างๆนานาเนี่ย เข้าระบบเข้าสมดุลที่ดีมันจะหนุ่มขึ้นสาวขึ้นนะเดี๋ยวโยมสุริเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเชฟเชงขึ้นกว่านี้หน้าตาผ่องใสาสาวขึ้นกว่านี้อีกได้เจ็ดสิบยังแจ๋วอะไรเงียนะเอ้าได้นะได้นะมันดีขึ้นได้มันสดชื่นขึ้นได้เพราะว่า มันก็เกิดเรายังไม่ตายเนี่เหมือนตอที่ไม่ตายตอไม้ไม่ตายถ้าเผื่อว่าเราได้อะไรแต่เรมันมีสัดส่วนสตรีละเราก็ยังไม่ถึงขนขนาดเสื่อมจนมันไม่เป็นประโยชน์อะไรมันก็สามารถที่จะเจริญขึ้นได้บ้างแม้มันจะอายุมากแล้วเจริญขึ้นไปเร็วมากแต่มันก็จะเห็นสภาพที่มันดีขึ้นได้อ่ามันมันไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่เจริญขึ้นอาตมายังมั่นใจนะว่าในความรู้ของพระเจ้านี้จริงทุกอย่าง ที่อาตมาพูดมาเก่าขอแล้วพอเราจะอายุยืนก็ดีจะแก่ช้าอะไรก็ตามมันจะเป็นจริงนะและมันจะเปลี่ยนไปตามยุคการอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างท่านสมพันธ์ว่าเมื่อเช้าเนี่ยว่าโอ้แต่ก่อนนี่อาตมาคลัมดำคลัมมันเหี่ยวมันย่นฉุบซีดเกร็งอะไรต่างๆจริงไม่ใช่ไม่จริงหรอกจริงเป็นเพราะแต่ก่อนนี่งานก่นเยอะไอ้นี่จัดสมดุลอะไรยังไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้มัน สมจัดสมดุลได้จิตใจก็มันก็ได้ผ่อนคลายได้ไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องอะไรอะไรขึ้นมามากมันก็ดีอ่ะมันสมดุลก็มันดีขึ้นมาอ่ามันก็หนุ่มขึ้นอ่าแต่ว่าไปในสรีระหนุ่มขึ้นแข็งแรงนะไม่ใช่อัตมาไม่แข็งแรงแข็งแรงขึ้นตามที่ก็คุณก็เห็นได้เราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็เห็นได้มันก็ดูออกไม่ใช่ไปดูไม่ออกใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะ อะไรเรื่องโรคอื่นๆที่มีสาเหตุมาจากความเครียดนั้นมากมายนะนี่ถามว่าคนที่เป็นโรคเหล่านี้เป็นเพราะความเครียดเท่านั้นหรือก็ตอนนี้เราก็บอกกันทุกเรื่องความเครียดเป็นต้นเหตุไอ้ส่วนที่จะเป็นโรคนั้นน่ะเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรต่างๆนานามันไม่ได้มาจากความเครียดเท่านั้นแต่ความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเกิดโรคต่างๆดังกล่าวมาแล้วมะเร็งก็ดีความดันก็ดี ก็เพราะก็ตามโรคประสาทโรคบ้าอะไรก็ตามมันก็มาจากความเครียดนี่ได้นะโรค อ, อื่นๆจะมาจากเหตุอื่นได้ก็เป็นได้ด้วยนะสองการมาปฏิบัติทำโด้วยการมาฝืนสู้กับกิเลสจะเป็นเหตุให้เกิดความเครียดหรือไม่เป็นเหตุให้เกิดความเครียดได้ถ้าเราเรียนรู้ไม่ดีและปฏิบัติไม่ตรงเป็นเหตุให้เกิดความเครียดได้และดีไม่ดีก็ไปกระทั่งเป็นมะเร็งหรือเป็นบ้า เป็นโรคประสาทเป็นโรคในสรีระต่างๆที่ว่า เ, เป็นความดันเป็นกระเพาะเป็นนุน่นเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่ได้เหมือนกันนะได้นะเพราะงั้นจึงต้องเรียนดีๆแล้วก็พยายามตั้งใจศึกษาดีๆมันเจริญก็ได้มันทําให้เสื่อมก็ได้มันทําให้ไ ม, ไม่ไม่เจริญก็ได้เหมือนกันมัน่งถ้าการปฏิบัติธรรมมีส่วนทําให้เกิดความเครียดจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เครียด ก็ต้องตั้งใจเรียนดีๆสิคาอธิบายบรรยายฟังให้ละเอียดละ อ, อ่เข้าใจดีๆแล้วก็ไปทําฝึกขัดให้มันตรงประมาณให้มันดีให้มันได้สัมมาให้มันได้พอเหมาะให้มันได้มัชฌิมาให้มันได้พเหมาะพอควรสมดุลดีๆโดยเฉพาะทิศทางที่โน้มเน้นให้ฟังอบอกเราก็จะไปติดยึดมันมากเกินไปแต่ก็ต้องยึดจุดที่เราจะพึงกระทํายึดจุดที่เราจะพึงพึงมุ่งมั่น เราต้องมีความมุ่งมั่นเรามีศีลมีหลักเกณฑ์ที่เราจะประพฤติแก่เราขนาดนั้นขนาดนี้แล้วเราก็มุ่งมั่นกับอันนี้ให้สําคัญสําคัญแล้วเราก็ทําในขอบเขตขนาดเท่านี้แหละเท่าที่เรากล่าวว่าพอเหมาะพอดีกับเราเกินแรงเราไปมันมากไปมันหนักมันแย่มันลําบากไม่ไหวถ้ามีจิตขี้โลคมากเกินไปนั่นแหละขี้โลคแม้แต่จะเอาธรรมะมากเกินไปเครียดได้แล้วก็จะเกิดผลเสียดังกล่าวนี้ได้มันกัน เราก็ต้องจัดแจงให้ความพเหมาะพอดีนี่ให้ดีมันลึกซึ้งนะลึกซึ้งธรรมะนี่ลึกซึ้งละเอียดละเ อ, อมากมันจะทําอย่างไรมันก็ต้องศึกษาให้ดีๆแล้วก็ปฏิบัติให้ดีมันมากไปก็ลดลงถ้ามันน้อยไปก็เพิ่มขึ้นให้ดูมัธิมให้ได้ดูผลเจริญแต่ก็ตั้งตนอยู่ในความลําบากมีการต่อสู้มีการขัดเกลาพอสมหมาะสมควรตนก็ต้องรู้แรงของตนสิรู้การประมาณได้าาขขของตนนนนนดนดั้้ีเจริญะ พ่อท่านเคยบอกว่าผู้ที่ชอบไปหาหมอนวดเพราะปวดมึ่ยร่างกายเป็นสาเหตุมาจากโรคทางจิตเป็นเพราะอะไรนั่นละเริ่มละเริ่มละนัน่นมาเข้าจะเป็นมะเร็งละนั่นละมาจากความที่มันไม่สมใจอะ่ะมันไม่สมใจโรคอันนี้นี่นะถ้าจะเรียกทางด้านภาษาทางแพทย์เขาก็เป็นโรคไซโครซิเป็นโรคนี่แหละเป็นโรคทางจิตนี่แหล ะ, ะเป็นโรคทางจิตนี่แหละเป็นโรคที่มัน ม, มันไม่มีสาเหตุจากตัววัตถุจากเชือ้อจากอะไรเป็นหลักทีเดียวนะเขาสืบสาวหาตัวสาเหตุจากรูปธรรมสรีระร่างกายตรวจทั้งร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติหาเชือ้อหาอะไรที่มันจะเข้ามาในร่างกายอีกก็ไม่มีแล้วมันก็มาจากจิตเพราะจิตเขาไม่มีเครื่องตรวจหมอโรคทุกวันนี้ก็จิตเาก็ไม่มีมิเตอร์เครื่องตรวจวัด ออกมาเพราะมันละเอียดลึกซึ้งมากเพราะงั้นเมื่อมันมีมีเหตุว่าเราเองเราเนี่ยจิตของเราไม่ค่อยจะเข้าท่าแล้วกดดันเครียดโลภจัดไม่สมใจจัดอ ะ, อะไรต่ออะไรเข้าไปเรื่อย ๆ, ๆแล้วมันก็ปะทุออกมาจากร่างกายแล้วทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งเมื่อย ท, นอนทั้งน่นทั้งนี้ทั้งอะไรเหมือนกับมันเข้าถึงกระดูกไงอะไรต่างๆนานา ม, มาก่อนเพราะว่ามันจะเกิดปฏิกิริยากับสรีงระไปเรื่อยๆ พวกสรีระของเรานี่มีธาตุน้ําดินไฟลมมีอะไรอะไ ร, ะไรตั้งเยอะตั้งแยะทั้งปดทั้งด่างทั้งอะไรอะไรต่างๆนา น, นาสารพัดที่มีปฏิกิริยากับสรีระมันมันก็ไปเกิดรวนเรกไอ้สิ่งเหล่านะั้นะนะก็เป็นปฏิกิริยากับปล้ามเนื้อร่างกายได้ก็ปวดก็เจ็บอะไรไปได้จางงั้นจริงๆก็เป็นเพราะมันเราเองเราก็ไม่พยายามปรับที่จิตปัญญาณไม่พยายามจะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่จะต้องเรียนรู้ให้จริงนะ มีคนเถียงว่าเป็นเพราะความเสื่อมความไม่สมดุลของร่างกายจริงหรือไม่มันก็อาจจะเป็นได้ในส่วนหนึง่งในด้านหนึง่งเราก็ให้หมอเขารักษาอยู่แล้วความเสื่อมของสรีระร่างกายความไม่สมดุลของร่างกายเราก็ให้หมอเขาตรวจบอกแล้วว่าทางด้านสรีระของหมอหมอเขาก็ตรวจเมื่อกเขาตรวจได้ก็จัดแจงก็แก้ไขไปสิเราเองเราก็ต้องระวังรักษาทางด้านจิตวิญญาณเพราะหมอในเขารักษาด้านจิตวิญญาณแม้จะมีหมอทางจิต เขาก็ช่วยได้บ้างเรานี่ก็เป็นนักปฏิบัติทางจิตด้วยเราก็ควรจะมีความรู้และควรจะได้ระมัดระวังอย่าให้มันเป็นเหตุสิจิตของเราอ่ะก็ะเสริมก็ช่วยตัวเองนั่นแหละช่วยตัวเองที่จะต้องปรับของตัวเองเรียนรู้ของตัวเองอย่าให้มันเป็นสิมันเป็นไป็ทุกข์ของเราเราก็สวยของเราเองนะมันจะไม่บอกว่าเป็นร่างกายเราก็ไม่ได้ไป หมายความว่าเราไม่ไม่เอาทางร่างกายเลยไม่ให้หมอไปตรวจไปตราไม่ให้หมอไปรักษาไดเลยก็เปล่านี่เราก็ให้ทางร่างกายด้วยก็ด้วยแต่ด้านจิตถ้าบอะว่าเราจะปรับของเราด้วยเรียนรู้แล้วกันนี่ด้วยไม่ใช่ปฏิเสธหรอไม่ใช่จิตโอกไม่ใช่โรคทั้งจิตแล้วเราทางกายอย่างเดียวอ่ะแล้วก็โรคทั้งจิตเราก็ไม่ศึกษาจริงๆมันยากกว่าด้วยซ้ํามันละเอียดละออกว่าด้วยซ้ําแล้วมันมีพลังช่วยนะ หมอนี่ถ้าแปลว่าคนไข้เนี่ยมีจิตดีนะรักษาหายไปกว่าครึ่งแล้วไปถามหมอคนไหนก็ได้นะและพวกเรานี่ไปรักษาโรงพยาบาลเนี่เพราะภาวะของจิตของเราถ้าไม่มีอะไรมากนึงจริงๆนะภาวะจิตพวกเรานี่กล้าหาญพลังดีวันไปโรงพยาบาลเนี่โอ้ไม่ต้องอยู่นานเหมือนกับคนอื่นก็รอกและแม้แต่ร่างกายเราก็ ปรับตัวง่ายนะเจริญง่ายจะเป็นแพลสดแพลเปื่อยแพลเน่าอะไรก็แล้วแต่พวกเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าหมอเขาสนใจนะหมอเขาออกประหลาดเหมือนกันพวกเราเนี่ย ม, มีมีตัวอย่างมาเยอะนะพวกเราไปโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลแล้วนี่มีเพราะฉะอันนี้แหละใครเองใครซวยเองนะ ม, นมันไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไปนั่งลงโทษตัวเองอะไรต่ออะไรอยู่ที่บอกแล้วก็ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อนี่แล้วก็ไม่พยายาม เราไม่ได้ปฏิเสธนเร่างร่างกายเราก็ไม่ปฏิเสธแต่ร่างด้านใจเราก็จะไปปฏิเสธสิศึกษาแล้วก็ค่อยๆดูความจริงไม่ใช่ว่าเราไม่มีก็เราก็ไปคิดว่ามีก็ไม่ใช่ถ้ามันมีอ่ะก็กลัวให้มันจริงสิว่าเราลําเอียงตัวเองไปแล้วเรากดดันเรายังง่อย่างนี้อะไรไปเราหลงเห็นแก่ตัวมากไปไอ้ความเห็นแก่ตัวมากไปนั่นแหละจะบําเรอตนมากไปออเสาะตัวเองมากไปเนี่ยเป็นโรค ง, ง่าย ต่อไปถามว่าคนที่ปวดหัวบ่อยๆนอนไม่หลับจนต้องใช้ยาแก้ปวดและยารังับประสาทเป็นประจำเพราะท่านมีวิธีช่วยอย่างไรจึงจะให้เขาเลิกใช้ยาได้เขาบอกว่าถ้าไม่ใช้ยาก็อยู่ไม่ไหวทุกทรมานแต่ใช่มากๆก็มีผลทำให้ติดยาและมีโรคอื่นแทรกซ้อนอีกก็นี่แหละมันไม่เอาจริงทางด้านศึกษาทางจิตโรคปวดหัวปวดท้องอะไรนี่มาจากโรคไซคโคสีติเจะเลยเพราะมันเป็นง่าย มันเป็นระบบหมุนเวียนของไอ้ประสาทของอะไรมันไปนกระทบกระเทึงกับประสาทก่อนอื่นปวดหัวปวดท้องปวดนั่นปวดนี่าง่ายอ่าจะยิ่งน้อยไม่หลับก็มันตัวโรคชัดอยู่แล้วไอ้นอนไม่หลับทําไมแล้วมันนอนไม่หลับเฮ้อก็ตัวมันฟุ้งซ่านตัวมันยังยึดยังถือยังอะไรอาวรยังจะงมง ม, งม ย, ย่ไอ้เรื่องนั้นน่ะเรื่องไหนก็แล้วแต่หลายๆเรื่องด้วยบางทีหลายๆเรื่องก็เลยจะวุ่นใหญ่เลย นะเลยไม่รู้จะจับเรื่องไหนเลยไม่รู้จะระงับเรื่องไหนยิ่งวุ่นกันใหญ่ก็แน่นอนที่ก็ต้องต้องไปช่วยทางประสาทด้วยนะก็ต้องให้ประสาทนี่นมนยมันเปรี้ยมันเพลียแก็ต้องหลับต้องนอนลงไปได้ถ้าไม่ฉะนั้นก็หลับก็นอนลงไปไม่ได้นะนี่เดี๋ยวนี้มันมีมากในะประเภทที่นอนไม่หลับเนี่ยมันโรคของคนที่ไม่เรียนทางจิตไม่ปฏิบัติตธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเห็นไมเรามาศึกษาแต่ก่อนนี่หลายคนเนี่ยนอนไม่หลับเลยอยู่ทางบ้านมาที่นี่แล้วแหมเผลอไม่ได้แล้วหลับแล้ว นะเพ้อไม่ได้หลับแล้วหลับแล้วปลุกไม่ค่อยตื่นด้วยละครังแล้วละครังเอ ก, ก็ยังเดี๋ยวอีกสักสามนาทีก็ยังดีเอาหน่อยนะอีกสองนาทีก็เอานิดห้านาทีเอาหน่อยห <c oughs> ลับง่ายซะด้วยนะสองนาทีก็หลับนะว่าจะเอาสองนาทีหลับไปอา้าวสิบนาทีเหรอนะนึกว่าสองนาทีนะเนี่ยว่าจะออขออีกต่ออีกสองนาที เราหลับง่ายเลยพับพลอยไปโอ้โอีกตัง10นาทีบางทีล่อไปสามสินาทีนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้พวกเราแก้ถูกจุดนะเพราะฉะนั้นยานอนหลับยาจามาจุ่งกับเราจะให้ยากเลยเราเอาจิตปัญญานี่ช่วยได้นะเพราะฉนั้นปวดหัวปวดอะไรมันก็ลดน้อยลงปวดหัวปวดท้องปวดประสาทปวดท่านปวดนี่อะไรก็ต้องมาศึกษาจริงๆ ยังไปกินยาก็แน่นอนทางหมอเขาก็ยังไม่ได้สนับสนุนอะไรเท่าไหร่เลยแต่มีความจําเป็นเราก็เหมือนกันถ้าผู้ใดที่มันเป็นมากจนกระทั่งโอ้จำต้องใช้ยาช่วยบ้างอย่างมีหลายหลายรา ย, ายที่มาหาเราเนี่ยมาดึง ข, ขั้นเป็นประสาทแท้ๆเขาก็ต้องกินยาของเขาก่อนก็ต้องปล่อยให้เขากินแล้วก็ค่อยทําไปแล้วก็ค่อยให้เขาลดมันก็มีทั้งหลายรายที่หายพวกเราเนี่ยนะ่าแ้วค่อยลดค่อยๆแล้วไปก็หายก็เลิกกันได้ไปได้อย่างนี้เป็นต้น มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยรู้มันไม่ค่อยเข้าใจมันก็ทําไม่ถูกเพราะฉะนั้นมาศึกษาให้ดี ด, ดีให้ถูกไม่ไงั้นไปนั่งแตกินยาอยู่กับยิ่งอ่อนแอยิ่งติดยาไปด้วยยิ่งทําให้ส่วนสรีระตั้งแต่ประสาทไปจนกระกทั่งถึงอะไรต่ออะไรแย่ไปเลยนะเพราะยาพวกนี้มีปฏิกิริยามีฤทธิ์ในการที่จะทําปฏิกิริยาเขาก็เอาธาตุนี่แหละมาทําปฏิกิริยากับส่วนนั้นส่วนนี้ตั้งแต่ธาตุดินนา้าไฟลมจะเป็น กฎเป็นด่างเป็นไอ้นนไอหนีอะไรกูเยอะแยะต่อมาไม่ได้เรียนรู้ทางชีว่าวิทยาอะไรมากมายนักกับเรียกชื่อไม่ถูกมันบอกกันไม่ถูกละเอียดหรอกนะต่อมาก็ถามอาการที่จะให้สะสมแต่ความดีไม่ให้สะสมทรัพย์สมบัติอืตอนนี้มาเข้าเนื้อหาของพวกธรรมะเขาละบ้างนะนะการที่จะให้สะสมแต่ความดีไม่ให้สะสมทรัพย์สมบัติคนส่วนมากไม่กล้าเพราะเกรงว่า ถ้าจนแล้วไม่มีใครเหลียวแลจะทำอย่างไระจะทำอย่างไรก็บอกความจริงเท่านั้นแหละอาตมาทำด้วยความจริงเชื่อเห็นคุณค่าของความจริงที่เราไม่ต้องสะสมเนี่ยอาตมาเห็นจริงๆเลยว่าคนที่สะสมทรับสริงคารมากๆทุกวันเนี่ยมันถึงทำให้สังคมเดือดร้อนไปทั้งหมด แล้วก็มีความคิดเห็นแต่จะมาสะสมซัพย์สริงคานกันต่างคนต่างแย่งต่างชิงกันก็เกิดทุกร้อนแย่งชิงเอาเปรียบเอารัดหาวิธีฉลาดที่จะฉลาดเอาเปรียบกันฉลาดโกงฉลาดเล่ยที่จะต้องชนะขะค า, านเขาได้ทุกๆเหลี่ยมก็เลยเกิดสงครามไม่มีหยุดหย่อนทะเลาะเบาแวงแย่งชิงอยู่ก็ไม่เป็นสุขอ่าโรคที่สะสมสมบัตินี่แหละเขาไม่เคยรู้เขาไม่ ไม่เคยพิสูจน์เขาไม่เคยมีประสบการณ์ว่าถ้าเราไม่สะสมทรัพย์สมบัติเราไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรพอที่จะต้องมีใครมาแย่งมาชิงเป็นความปลอดภัยและมีความดีมีความสามารถจริงๆนะมีความดีมีความสามารถเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดผลดีจนกระทั่งมันจะเกิดผลที่จะทำให้เรามั่นใจจนกระทั่งเราสามารถจะเชื่อชัดเจนเลยว่าเราไม่ต้องสะสมที่เรา เรายินดีที่จะอยู่อย่างไม่สะสมปลอดภัยด้วยไม่หนักที่จะต้องเป็นภาระต้องแบกต้องหามต้องรักษาด้วยแล้วก็มีที่พึ่งด้วยพึ่งต้นที่มีสมรรถภาพพึ่งต้นที่มีคุณค่าความดีประโยชน์อยู่นี่แหละพึ่งเพื่อนมิตรสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่เป็นญาติธรรมเป็นพระราดลภาพที่แท้พึ่งบุญเก่าบุเพเกะตะบุญญตา เมื่อเราแน่ใจว่าเราไม่ต้องพึ่งสิ่งที่มันเป็นทรัพย์สริงคารเน่แต่เราพึ่งคุณค่าอย่างที่กล่าวไปแล้วนั่นอ่ะเรามั่นใจว่าเราพึ่งได้จริงๆนะคุณจะเห็นว่าคุณไม่อยากจะสะสมหรอกไม่ใช่ว่าเราอดเอาทนเอาไม่สะสมเท่านั้นตอนรแรกๆก็อาจจะต้องอดเอาทนเอาบ้างแต่ฝึกปรือไปมีประสบการณ์ไปมีองค์ประกอบอะไรต่ออะไรที่มันเป็นหลักฐานยืนยัน อย่างพวกเรานี่มีหลักฐานยืนยันมีองค์ประกอบมากพอสมควรที่จะเห็นได้ชัดง่ายขึ้นทุกวันนี้เพราะเรามาแล้วก็มีอะไร อ, อะไรให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็เป็นไปได้อยู่ได้โดยไม่ต้องร่าต้องรวยคนที่ร่ําที่รวยนั้นแนหะเขาก็ว่าเก่งในอย่างหนึ่งนะเก่งในทางโลกเขาก็ชมเชยกันว่าเก่งในทางโลกอย่างหนึ่งแต่ต่อมาว่าเหนือชั้นกว่านั้นเนี่ยไม่รวยทั้งๆ ท, ท, ที่เรารวยได้นี่เก่งกว่านั้นอีกใช่ไหมแล้วการรวยนี่นะ มันก็ต้องมีบาปซ้อนรวยอย่างไปเอาเปรียบเอารัดคนคนอื่นมาใช้เล่ห์ใช้เล่ห์ที่ไม่สื่อไม่ตรงนักมีความฉลาดเชิงชั้นอะไรต่างๆนานาแล้วก็พยายามหาทางที่จะมีกลไกสร้างเครือข่ายกลไกสร้างเครือข่ายกลไกอาศัยผู้อื่นเป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, นกลไกทั้งนั้นนะแล้วก็ใช้ระบบวิธีการถึงมันมีระบบมานาน เท่านานแล้วมาสร้างกลไกให้แก่ตัวเองแล้วก็ได้เพียบโดยตัวเองไม่ได้ไม่ได้ใช้แรงงานด้วยซ้ำทำไปแล้วผูกกลไกเอาไว้เสร็จหมดแล้วมึนไปเป็นโรงงานแหมสูบมาให้แกตนเองอ่เดือนหนึ่งปีหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นล้านหลายล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นวิธีการเป็นระบบที่เขาทํากันมานานแล้วเป็ น, นกลไกของสังมคมกลไกของวิธีการหาความร่ารวย ศึกษาหาทางกันมามากไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่ปีเดียวไม่ใช่ร้อยปีเท่านั้นหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีแล้วและเขาก็นิยมกันอย่างนั้นมันก็เป็นการเอาเปรียบที่บาปบาปมากที่อาตมาพยายามเห็นชี้ให้พวกเราเห็นมันไม่ใช่ความประเสริฐเลิศยอดอะไรหรอกทุกคนได้เคยสะสมทุกคนได้เคยปฏิบัติประพฤติได้ฝึกหัดมาแล้วทั้งนั้นทํามาแล้วก็ได้เงินมามาก ไอ้ได้เงินมามากก็แค่ที่ว่าเราจะเอามาบําเรอตนมาอวดมาอ้างมาแบ่งมาคมเพราะอื่นว่าฉันนี่ยอดฉันนี่รวยฉันอะไรอะไรตามตามเรื่องก็มานะเอามาเสพสมเอาม า, อาใช้เงินเหล่านั้นมาซื้อสิ่งที่เราต้องการจะได้บําเรอในทวารตามหูจมูกลิ้นกายก็เป็นกามให้สมใจตนเองที่มันมีมากมันก็เป็นพบเป็นมานะเอาไปแบ่งไปทับไปคมไปขี่กันนึกว่าตัวเองเลิศจ้าก็เอ็งอย่างนั้นก็แค่สมใจในมานะ นี้เรามาพิสูจน์กันด้วยธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้เราไปสะสมอะไรลดลงมาก็ไม่ได้ไม่มีขั้นตอนนะไม่ใช่มาถึงก็มาให้คุณไม่สะสมเลยทีเดียวพลอยพลาดแมบันไดขั้นเดียวกระโดดพวบทิ่มตีลังกาเลยก็เปล่าให้คุณลดรับพิสูจน์มาอาตมาไม่เร่งรัดอย่างนั้นนะเพราะเร่งรัดอย่างนั้นอาตมาก็จะตายเพราะว่าคุณจะมาบ่วมอาตมาตายหมดนะอาตมาไม่ทำหรอกแล้วก็มันไม่ดีทั้งสองด้านคุณก็ไม่ดีอาตมาก็ไม่ได้ดีอะไร เดี๋ยวเกิดประโยชน์อะไรที่พิสูจน์จริงๆแล้วคุณจะเห็นความจริงเป็นสัจจะว่าเราพึ่งความดีได้ไม่ต้องพึ่งเงินทองความดีนี่มีค่ายิ่งกว่าเงินกว่าทองยิ่งกว่าทรัพย์สรินคาดความดีที่จริงได้ความจริงที่เป็นสภาพกุศลธรรมสูงสูงสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นความเป็นเป็นสิ่งที่น่าพิสูจน์เพราะผู้ใดพิสูจน์ถึงความจริงอันนี้ได้ผู้นั้นก็จะเป็นไปได้จริงจะเป็นคนที่กล้า กล้าที่จะจนกล้าที่จะไม่สะสมกล้าที่จะอยู่กับชีวิตอย่างภาคภูมิไม่น้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็ไม่ลิงโลดใจจนกลายไปเป็นปมโด่ปมเด่นอะไรไปทับถมข่มคนอื่นไปทะเลาะเบาะแวงกับคนอื่นหรือมันเกิน ม, มันตรงไปอีกเหมือนกันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอีกก็จะรู้ว่าดีก็ ด, กดีดีไปมากๆเท่าไรก็ดีไม่จําเป็นจะต้องเป็นเน้นดีนี่อีกหรือเอาดีนี่ไปทําพิษทําภัยเป็น มุมกลับตีกลับขึ้นมาอีกอนี่เป็นต้นแล้วมันจะกล้าจริงๆนะเมื่อมันเห็นความจริงมันจะกล้าอาตมาพูดกับพวกคุณไม่ใช่พูดปากปากเปล่าหรอกอาตมาทำมาก่อนใช่ไหมแม่อาตมาจะไม่ได้เป็นเศรษฐีใหญ่ผู้รํารวยใหญ่ทิ้งก้อนใหญ่ๆเงินทรัพย์สริ้งคานใหญ่ๆมากๆเหมือนกับเศรษฐีในประเทศไทยหรือเมืองนอกก็ตามที่เขามีมากๆขนาดนี้จนเป็นที่อวดที่อ้างได้ยืนหยัดยืนยันได้ก็ตาม อาตมาก็ทิ้งมาได้ขนาดนึงอะ่ะก็ไม่น้อยนักแต่มันก็เป็นสิ่งที่อาตมาว่าถ้าอาตมาจะมีมากกว่านี้อาตมา ก, ก็แน่ใจว่าอาตมาจะทิ้งได้แต่มันไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเชื่อมันก็ไม่เป็นไรนะแล้วพวกคุณนั่นแหละเรามาทําดูแล้วคนที่เขาร่ําเขารวยอะไรอื่นพวกเราก็หลายผู้หลายคนเนี่มาพิสูจน์แล้วมันก็จะเกิดความจริงในใจของตนเองว่าตนเองกล้ากล้าสละกล้าให้ได้แต่ก่อนมันให้ไม่ลงจริงๆมันกลัวตายมันกลัวอดกลัวอยาก มันไม่มั่นใจว่าเอ๊ะทําไมมีเงินแล้วมันจะอยู่ยังไงจะอยู่ได้ไหมความดีมันจะช่วยเราได้จริงๆเหรอมันไม่ค่อยมั่นใจจนกว่าคุณจะมั่นใจจนกว่าคุณจะเห็นความจริงพวกนี้คุณจึงจะมีความกล้านะมันก็ไม่ได้เร่งรัดแต่ก็ท้าทายให้พิสูจน์ว่าเราสามารถสะสมความดีเนี่ยเนื้อชั้นก็ไปสะสมซั์สริงคาร์ซั์สริงคารไม่ได้เนื้อชั้นกับความจริงหรือความดีนี้อย่างแน่นอน ยิ่งคนที่แก่มากแล้วไม่มีเวลาที่จะสะสมความดีได้นั้นเขาจึงไม่กล้าทิ้งสมบัติมากก็ไม่เป็นไรคนแก่ที่มาเรียนมาปฏิบัติประพฤติแล้วเขาก็ยังไม่กล้าทิ้งเขาไม่กล้าทิ้งก็เพราะว่าเขาเองเขาไม่เข้าถึงสัจจานั้นได้จริงก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ไม่ได้ไปยุแย่ถึงยังไงก็ไม่ต้องช้าไม่ต้องนานเราก็แก่แล้วเดี๋ยวก็ตายไปเดี๋ยวก็ต้องทิ้งอยู่ดีอ่ะเมืเห็นไม่เป็นปัญหาอะไรนี่ ก็เขาไม่ทิ้งก็ไม่ทิ้งถ้าเราไม่ได้ไปเทเด็ดบังคับใครนี่ก็จะพยายามที่จะบอกความจริงให้เห็นใจใครกล้าใจคนนั้นก็กล้าใจใครเชื่อมัน่นใจคนนั้นก็เชื่อมัน่นใช่ไหมไม่บังคับอะไรกันได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นในเรื่องความกล้าเนี่ยจริงไม่ได้เกิดจากการมาปลูกเล่ากันเล่นไม่เนียมาอย่าไปปลูกเล่ากันเล่นด้วยปลูกเล่ากันเล่นโดยไม่มีขนาดไม่มีประมาณแล้วไฟแรงเกินการแล้วปรเดี๋ยวตกกันได้ i ขาหัก ยุ่งเลยนะไอ้ตกก็ได้ขาหักไม่เท่าไหร่เราตกก็ได้หัวหักตกก็ได้คอหักตายเลยเนี่ยยุ่งเลยนะแม้ว่าจะเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มคนสาวก็ตามอาตมาว่าไม่ได้ขึ้นกับว่าแก่แล้วกลัวกังวลไม่นะไม่ได้กลา้าไม่กลาดทิ้งไม่อะไม่อยู่ตรงนั้นอนะมันอยู่ที่ภูมิธรรมมันอยู่ที่การปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องแน่นอนมันจะต้องสลัดได้ทิ้งได้นะไม่ว่าแก่ไม่ว่าสาวไม่ว่าหนุ่ม พวกสายเจโตที่ปัญญาน้อยไม่ค่อยชอบคิดหรือรับรู้เรื่องราวอะไรมักจะไม่ค่อยเครียดพวกสายปัญญามักจะชอบคิดและชอบอวิพากษ์วิจารมักจะเครียดเก่งคนสองประเภทนี้มีส่วนดีส่วนเสียต่างกันอย่างไรที่พูดมานี่มันก็ไม่จริงสายเจโตก็เครียดเก่งเหมือนกันอะไรนิดอะไรหน่อยก็เครียดแล้วปุ้มเลยนะอะไรนิดอะไรหน่อยเอาแล้วหันหน้าเขาฟ้าแล้ว มันคนเครียดเนี่ยมันกดดันได้ทั้งคู่ได้ทั้งสายปัญญาและสายเจโตไม่บอกว่าสายเจโตไม่ค่อยเครียดไม่จริงอะสายเจโตนี่เราไม่ค่อยเบิกบานได้เท่าสายปัญญาสายปัญญาคิมักจะราซาโดยซ้ำอ่สายปัญญาเนี่ยทว่ากันจริงแล้วอ่ะสายเจโตนี่คิมักจะแหมกดดันเก่งปุ่มมันอยู่อย่างนั้นอ่ะอ ะ, อะไรนิดอะไรหน่อยบางทีก็เอาละ บางคนก็ยังไม่รู้ตัวเลยซ้ําไปนะเอาแล้วพอเจโตนเอาแล้วแหมผิดใจนิดเดียวเอาแล้วทีนี้โอ้โหไม่รู้ไปถูกลังแตนมาจากไหนงุดเลยเป็นได้ง่ายเลยซ้าไปเพราะงั้นจะไปตายตัวบอกว่าสายเจโตปัญญาน้อยไม่ค่อยชอบคิดจริงไอเรื่องไม่ค่อยชอบคิดแต่ไอ้เรื่องที่ไปกระทบจุดที่เราเป็นกิเลส ข, ของตนเองเข้าก็คิดง่ายกดเก็บกักเข้าไปง่ายเหมือนกันไม่เอาง่ายเหมือนกัน แล้วก็ไปกดดันอาการกดดันไม่ได้ไหมายความว่าสายฟุง้งซ่านหรือสายปัญญาที่คิดมากคิดมายเยอะแยะก็เลยเครียดไม่ใช่สา ย, ยานั้นสายเดียวได้ทั้งสองสายนะอันนี้คําถามนี้มันไม่ค่อยตรงทีเดียวหรอกนะของคนสอ ง, สองประเภทนี้มีส่วนดีส่วนเสียต่างกันอย่างไรก็ส่วนไหนที่มันบกพร่องมันก็เป็นส่วนเสียสายเจโต่ก็พยายามที่จะเปิดจิตฟังเหตุฟังผลคิดอ่านวิจัยวิจารณอะไรบ้าง สายปัญญาคิดมากคิดจนกระทั่งไม่รู้จักจุ ด, ดจุดจุดพอดีวนเลยเนี่เป็นงูกินหางเลยวนอยู่อย่างนั้นก็พยายามหัดรู้จักจุดจบจุดจุดสัดบ้างหัดหยุดให้กับตัวเองสับ้างมีอะไรก็หัดจะมีข้อมูลแล้วก็ตัดสินสับ้างหยุดได้นังับได้สับ้างเอาให้จริงนะสรุปง่ายๆก็คือว่าส่วนดีส่วนเสียก็คือส่วนใดที่เราพร่องเจตโตก็ต้องศึกษากับปัญญาปัญญาก็ต้องศึกษากับเจตโตหัดทําสิ่งที่เราพร่อง มันจะได้เกิดเจริญทั้งสองส่วนเป็นอุปตูพัอย่างสมดุลสมบูรณ์นะลักษณะอาการของความเครียดเป็นยางไรแค่ไหนเรียกว่าเครียดอแหมอันนี้จะเอาขนาดไหนเราตัดเกรดกันแค่ไหนเรียกว่าเครียดอ่จะตัดเกรดยังไงเรียกว่าเครียดอาตมาเองอาตมาก็ไม่ค่อยจกเครียดก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกคุณว่าขนาดไหนมันเครียดคุณดูของคุณก็แล้วกัน ขนาดนี้ในชักจะทุกข์แล้วนะในชักจะเครียดแล้วชักจะตื่นแล้วนะจะชักกะไรแล้วเนี่ยชักจะงงงแล้วชักจะไม่โปร่งอะไรอะไรเนี่ยคุณก็เอาแล้วกันแม้คุณจะตัดเกรดว่าโอ้นี่มันเริ่มรักอาการไม่ดีแล้วในอาการนี่รู้สึกว่ามันจะมันผลักละความเครียดนี่ไปในแง่ผลักนะไม่ได้แง่ดูดหรอกในความเครียดนี่ไปในแง่ผลักในแง่มันมันเบื่อมันผลักมันไม่เอาอะไรแล้วมันไม่ร่าเริงเบิกบานมันไม่ มีปฏิกิริยาบทบาทการงานอะไรหรือบทบาทที่จะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาแล้วมันมันเป็นอย่งงางนั้นลักษณะของมันใช่ไหมท่านก็คุณก็ดูสิว่าถ้าเกิดอาการอย่างนี้ของเราขึ้นมาชักเบือบ่อเบื่อจริงๆชังๆ ช, ชักจะไม่ค่อยจะรื่นเรืองแล้วนะชักจะไม่ค่อยจะเอาฐานก็นอะไรแล้วมันชักจะอยู่กับตัวเองที่มุดมุดกุ้นุ้อะไรไปมากแล้วเนี่ยเอาล่ะ ขนาดไหนน่ะมันมากก็ามากแล้วมันน้อยก็น้อยถ้าใครรู้ตัวว่าเอนอน้อยแค่นี้เราก็ต้องรีบจัดการแล้วเราต้องคีคลายแล้วแบบนี้เครียดน้อยก็าตามมันจะต่อไปเครียดมากเครียดใหญ่ไม่เอาอ่ะคุณก็ตัดเกรดเอาของคุณก็แล้วกันให้รู้ลักษณะของมันที่ตัวเองให้ชัดแล้วเปลี่ยนแปลงอาตมาไม่ได้มีความเครียดอะไรที่จะต้องไปเป็นอย่างที่ว่านี่อาตมาก็เลยไม่รู้จะไปตัดเอาอย่างไรกับพวกคุณให้บางคนทนเก่งเลยนะเครียขนาดที่ข้าก็ทนว้า มันดีเหมือนกันมันอย่างฟื้นบุญเขาบอกว่าเอออะไรนะเขาว่าอะไรฟื้นบุญเขาว่ามันดีฮะเออหน้าบึ้งๆนี่เราไม่ต้องยิ้มไว้ก็บใครมันก็มันดีเหมือนกันว่างั้นนะนะเอ้มันก็ไปใหญ่สิอย่างเนี้อ่ามิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็ไปใหญ่เลยมันก็อยู่ที่พบของตัวเองกักกดของตัวเองเรื่อยไปอ่าหนักๆเข้าก็ไม่ตายก็ระเบิดนะ ไม่เป็นโรคอะไรต่อโรคอะไรก็ระเบิดออกมาบ้างระเบิดออกมาก็ดูสิอะไรต่ออะไรก็ระเนรนาฏไปหมดดีไม่ดีตัวเองก็บาบาบบอไปอะไรก็ไม่รู้หนะรางก็รู้ตัวถ้ามันเริ่มจะมีอาการไม่ค่อยดีอย่างที่ว่าแล้วบบสัญญาณของมันชักจะเบื่อเบื่อชักจะชิงชังแค่กระผลักชักจะไม่ค่อยเอาอะไรแล้วไม่มีความยินดีไม่มีฉันท์พระความยินดีเบิกบานไม่เห็นอะไรที่มันน่ารื่นรมแล้วชักไม่เห็นอะไรที่น่ารื่นรมเอาวรัรีบรู้ตัวแล้วที่ เปลี่ยนแปลงอย่าไปให้มันเครียดมากกว่านั้นเจ้าก็ตั้งตัดเกรดว่าเครียดนี่คือกาลังจะตัระเบิ ด, ดแล้วนี่คือเครียด ต, ตายแน่ๆแล้วแก้ยากเลยถึงเวลานั้นนะเพราะงั้นเรเริ่มต้นทุกทักจะมีสัญญาณแห่งไม่ความไม่เข้าท่าเลยสัญญาณไม่ดีมาเท่านี้ก็เริ่มต้นรู้ตัวรู้ตัวแล้วปรับเปลี่ยนซะให้เร็วมีวิธีการเราศึกษาธรรมะของเราอยู่แล้วเราก็จะต้องมีวิธีการปลดปล่อยคลายนะ ไม่มีอะไรดีก็มาถามผู้รู้ท่านต่ช่วยเหลือเปลือกไฟขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนะวิธีแก้ความเครียดอย่างง่ายๆโดยการพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติในฐานะของนักปฏิบัติธรรมที่ไม่มีทางออกอย่างอื่นเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่อันนี้มันเป็นข้อแก้ตัวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะอยู่กับธรรมชาติควาว่าธรรมชาตินี่ก็คงหมายความว่าไม่ได้เต็มไปด้วยสังขารของผู้คน ไม่เต็มไปด้วยบทบาทของผู้คนอยู่กับต้นหมากรากไม้อยู่กับดินน้ำไฟลมอยู่กับน้ำไหลไฟแสงแดดสายลมอะไรงี้อ่าแล้วก็เราก็เลยบอกว่ามันค่อยยังชั่วมันเป็นความพลางชนิดหนึงเท่านั้นเองมันเป็นความไม่สู้มันเป็นความไม่แข็งแรงของคนนั้นก็เลยบอกว่านีแล้วละเราก็อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็หมายความทีอัตมาอธิบายย่อยๆแล้วเออเราก็อยู่จริงต้นไม้มันไม่ยั่วยวนคุณมันไม่เป็นสังขารธรรมนะคนไม่ได้ไปถือสามัน น้ำไหลไฟสว่างเออไฟน้ำตกน้ำไหลลมพัดอะไรต่างๆนาน า, นามันก็เป็นองค์ประกอบที่ทําให้คุณไม่เกิดถูกจี้ถูกยวนถูกจัว่วโดยคุณไปฝังใจที่ไปถือสาเรื่องอะไรของมนุษย์สังขารของมนุษย์บทบาทพฤติกรรมของมนุษย์มากไปคุณก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้คุณก็เห็นดีว่าเออมันก็ใช่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรเพราะคุณโดยสามัญสำนึกคุณก็รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีเจตนาลมจะมาแกล้งอะไรคุณมากเท่าค น, นหรอก คุณไว้ใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าคนคนคุณไม่ไว้ใจเท่าเพราะว่าไอ้คนนี่ไม่เห็นมันดูมันยั่วยวนไปหมดเลยเกลียดมันทังไปหมดเลยแล้วก็พฤติกรรมของคนนี่แหละมันเป็นจุดที่ทำให้เราถือสามากเราก็เลยอยู่กับธรรมชาติก็ทาให้เราปล่อยคลายไปได้บ้างที่จริงมันเป็นเพียงแต่การแก้แก้แ ก, แก้แก้ตัวของตัวเองนิดนิ ด, นดหน่อยน่อยมันไม่ได้แก้เหตุไม่ได้แก้ที่เหตุ มันเป็นแค่ชะลอมันไปเนั้นเองมันไม่ได้แก้จุดตรงมันนะเพราะฉะนั้นโรคที่เขาแก้นักจิตวิทยาหรือหมอทางจิตวิทยาเนี่ยปล่อยให้ให้ไปทําอย่างนี้บ้างมันก็มันก็เพลาแล้วมันก็เพลาแต่มันก็ไม่ได้แก้ตัวเหตุที่แท้จริงบางทีมันแรงไปมากไปก็ให้เพลาโดยวิธีนี้ก็ต้องแก่บ้างไม่เช่นั้นก็พูดก็ไม่รู้เรื่องไปเลยจะระเบิดเอาถามไถยอะไรก็ชิงชังหมดจะมาพบกับหมอจะมาพบกับคนนั่นคนนี้มั่งกั ไม่ไหวแล้วอาการมันแรงก็แน่นอนแล้วเอา้าพุไปผ่อนคลายไปสับ้างดีไม่ดีเขาให้ไปที่ดเที่ยวให้ได้เตรให้ได้ไปสแสดงออกในบทบาทที่มันไม่ค่อยดีด้วยซ้ําไปไปเปิดหูเปิดตาหรือว่าไปกินเหล้าเมายาเต้นระบงเต้นระบำอะไรให้มันคลายให้มันผ่อนไปอะไรเขาก็ว่าไปสะก่อนเพราะจะต้องบรรเทาอาการที่มันเครียดหนักเครียดแรงให้ลงไปสักสักส่วนหนึ่งสักก่อนก็ก็เป็นจริงเหมือนกันถ้าจะว่าไป มันก็เป็นประโยชน์บ้างถ้าสมควรถ้ามันมากไปก็ต้องผ่อนคลายลงไปบ้างในการปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างจะต้องกดข่มด้วยสมถะนี่ก็คือลักษณะเดียวกันนั่นแหละหรือแม้แต่จะสมถะใช้เหตุผลทา ง, ทางจิตทางเหตุผลนะตรกกระสานนะพวกใช้ตักกศะสานบอกเออปละวัลก็ไม่ใช่ตัวของกูของตัวกูของกูอะไรมากมาย อ, อ่าอะไรอะไรก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยสุคถาพรงนี้ก็เหมือน ก, นกันกับวิธีเนี่ยให้ผ่อนคลายไปก่อนช่วหนึง่งปล่อยไปหน่อยหนึ่ง หรือไปสะกดจิตหรือว่าลืมๆืมมันสะส่วนหนึ่งเมืนจะพวกดุสีก็เหมือนกันมันก็พอยผ่อนคลายไปได้มันเป็นเพียงการบำบัดให้อาการเครียดนั้นเพราลงเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าไปบำบัดที่เหตุของความเครียดของพอเข้าใจนะพ่อเราได้พูดถึงเรื่องนี้มาไม่เช่น้อยเหมือนกับหมอรักษาไข้ใช้ซิมโตมติกทรีทเมนต์คือบรรเทาอาการเท่านั้นเนี่ยอาการเครียดให้มันเพ่าลงเท่านั้นเอง แต่ไม่ใช่เรนเดคลาดทรีเมนท์ ment, ไม่ใช่ไปจับเหตุแล้วรักษาที่เหตุให้มันหายทันทีให้มันเบาอาการเครียดลงไปด้วยอะไรอื่นๆแก้ตัวที่อาตมาว่าแก้ตัวแก้ขว้อยแก้เขินมันไปเฉยๆให้มันบำบัดบบบาั ด, บบ ด, บบ ด, บบดไปช่วยคลายเท่านั้นเองบำบัดอาการที่มั น, มนหนักหนานะลงให้มันเบาลงเท่านั้นแต่ไม่ใช่บำบัดตัวเหตุที่มันเป็นเหตุแห่งความเครียดหรือเหตุแห่งสิ่งที่เป็นโรคแท้ นะไม่ใช่ Radical Treatment อย่างที่ว่านี้นะเพราะงั้นจะใช้ก็ใช้อยู่นะเราถ้าบอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้สมบสมควรก็ใช้แต่ไม่ใช่ว่าถาวอนหรือไม่ใช่ว่าถูกตัวถูกตนมันแล้วความวิธีแก้ความเครียดอย่างง่ายๆอย่างนั้นก็เอาถ้ามันสมควร แต่ถ้าจะให้จริงแล้วก็อย่าไปนึกว่าไอ้แก่แก้ความเครียดง่ายๆแค่นั้นมันหายไปหมดไม่ใช่ถ้ามาดูว่าความเครียดของเราเนี่ยเรายังติดใจยอยู่ยังยึดถืออยู่เรายังไม่เข้าใจด้วยสมาธิเทเแล้วมันได้เลิกละล้างกิเลสหรือตัวความเขา้าใจผิดหรือตัวเหตุใหญ่คือมันยังถือสาโกรธมั่งไม่ชอบใจก็โกรธได้สมใจก็ไม่สมใจก็โกรธอะไรหรือก็เครียดก็กด ก, ก, ก็ดันอะไรพวกนี้อีกจะต้องมารักษาทางนี้ให้ชัดเจนนะผู้ที่สา ม, มารถทํางานไปด้วย พักไปด้วยในตัวเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยางให้พระท่านแนะนําวิธีนี้และยกตัวอย่างด้วยนีน่เป็นเรื่องมรรควิธีของมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้านะทำงานไปด้วยพักไปด้วยในตัวมันก็จะต้องมีบทฝึกขัดของเราปฏิบัติโพธิปักเคียรธรรมมีสติปัฏฐานรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสุขาาสขาปฏิปทาสุขขาปฏิปทาคือปฏิบัติแล้วก็สุขสบายจริงเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องตั้งตนอยู่บนความลําบาก เราจะต้องอุตสาหะอย่างนี้สัมผัสกับอย่างนี้เช่นเราเองเราไม่ชอบหน้าคนนี้นะไม่ชอบหน้าคนนี้แล้วเรานีชีโบชีเบไปนะอาตมาไม่ได้ว่าคนนั้นคนนี้นะอาตมาชิโบชีเบไปเฉยๆว่าไม่ชอบหน้าคนนี้ถ้าเราหนีไปเลยมันก็เหมือนกับซิมโตมิตริกทรีเมนไม่พบหน้ามาแล้วคนนี้แหมพบหน้ามาแล้วก็อดไม่ได้ทนไม่ได้มันก็บําบัดอาการชั่วคราว แต่ถ้าเบอกว่าเราปฏิบัติแบบโพธิปักเคียรธรรมเราก็ต้องตั้งหลักว่าอ่าคนนี้เราเป็นตัวเหตุแท้เลยนะนี่เป็นเหตุนอกด้วยไม่ใช่เหตุจิตตัวเองด้วยนะเหตุนอกด้วยอ่าเหตุนอกเอาลองดูสิลองตั้งใจดีๆอย่าไปคิดว่าเขามีความรายอย่าไปคิดว่าเขามุ่งรายอย่าไปคิดว่าเขาจะทําร้ายตั้งใจทุกอย่างเลยสัมปัต ส, สัมพันธ์เขามีอะไรมาจยางนั้นจยงแรงอย่างร้ายอย่างโนี้นเข้าใจเขาให้ได้ เออค um like ุร si like ิยาเขาอย่างนี้นะนิสัยเขาอย่างงี้มันเป็นจริตของเขาอย่างนี้นะถ้ายิ่งดูๆไปแม้เขาจะมุ่งร้ายก็บอกเออเขามุ่งร้ายเพราะเขาเข้าใจเราไม่ได้แล้วเขาก็คอยศึกษาเขาเข้าใจเราไม่ได้เราจะทำอย่างไรเขาเข้าใจได้ก็ทําแม้เขาเข้าใจยังไม่ได้ก็บอกเออเราไม่เก่งนะที่ทำให้เขาเข้าใจเราไม่ได้แล้วเขาก็ยังถือสาอยู่เขาก็ยังโกรธเครื่องอยู่เราพยายามปรับตัวเราเข้ากับเขาให้ได้กันแล้วกันใจองคุณก็จะคลายนี่คือคุณแก้กิเลสของคุณนะ คุณแก้กิเลส ข, ของคุณไม่วิ่งหนีแก้ r รเดี a ลทรีทเมนต์ปรับที่ตัวจิตตัวกิเลส ข, ของเราจริงๆเลยคุณก็จเจริญทางปฏิบัติทำแท้เพราะฉะนั้นเราจะทํางานกับคนนี้มันจําเป็นมันต้องเข้าร่วมกันทํางานคนนี้แต่เราไม่ชอบหน้าอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องพยายามปรับตัวเราอย่างนี้งานมันก็เจริญไปด้วยทํางานไปด้วยได้พักผ่อนในตัวก็คือความที่เข้าใจผิดนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราไม่ได้พักผ่อน มันดูเหมือนมันเป็นสงครามต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเลยจิกจิกจิกจพอมันสัมผัสอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับมันไฟมันเดินอยู่ตลอดเวลามันสปาร์กอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าคุณเห็นว่าว่าเอาสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็ตามคุณก็บอกว่าเอาเถอะให้มันเดินเป็นสายเส้นนี้ออกไปเส้นที่เราเองเราจะรู้สึกเราก็รู้สึกของเราอย่าให้มันมาชนกันอย่าให้มันมาสปาร์กกันอย่าให้มันมาทะเลาะกันมากนักสิมันก็ได้ผ่อนในตัวนั่นก็คือตัวผ่อนหรือพักผ่อนไม่ได้ผ่อนไปในงานเพราะปฏิบัติถูก เพราะผู้ปฏิบัติทำโพธิปัจฉียธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติมรรคองแปดพระองคพระพุทธเจ้านี่ไม่สูญเสียประโยชน์เลยไม่สูญเสียประโยชน์งานการก็ไม่สูญเสียแล้ววิธีการที่เราลดละปฏิบัตินี่มันก็ได้ปฏิบัติอย่างจริงๆริงเยไม่ต้องวิ่งห น, นีไปเสียเวลามันมีเหตุจริงเกิดกิเลสจริงกัเห็นกิเลสมันรัดหลั ด, ลดกิเลสลดได้จริงกับได้เดี๋ยวนี้ทันทีทันใด เป็นของสดสดไม่ใช่เป็นนั่งคิดเอาคะนนเอาดน ด, ดาวเอาทำมาแล้วก็คยมาลลึกอีกทีนึงก็ไม่ใช่ทำปัจจุบันนะทำเลยสดส ด, สดเฉ็นเจ๋งเลยอ ะ, อะไรมันมากไปคุณก็ถดถอยเอาเองปรับเอาเองนั้นมากไปมันสู้ไม่ไหวกระทบกระแทกแรงเกินไปเออเราก็อย่าไปทำแรงเกินไปเราก็เอาเท่านี้ อาตมาทําอยู่ตลอดเวลาขณะนี้เนี่ยยังสังคมหรือว่าพวกที่ฝ่ายที่เขาจะเล่นงานอาตมาเเนี่ยาก็มีลีลาขเขาก็ะแทกกับท่านหม่เงินอาตมาก็ถอยบั่งลบบั่งมียุทธศาสตร์นะจะทําตอบโต้ไปแรงขนาดไหนเบาขนาดไหนอาตมาทําอยู่ตลอดเวลานเนี่ยเนี่ยแต่อาตมาไม่ได้มาอธิบายสู่พวกคุณฟังเพราะไม่มีเวลาหรอกมันไม่หวัดไว้แล้วไม่ใช่งานของคุณหน่วยงานอาตมาเพราะงั้นอาตมาก็ไม่ได้พูดแต่อาตมาทําถ้าคุณสังเกตเห็นจะเห็นพวกเราก็เหมือนกันแหละนะ ถ้าคุณได้รู้ตัวเองว่าคุณกระทบสัมผัสเหตุนี้เรื่องนี้ราวนี้งานนี้กิจนี้อะไรนี่มันมีองค์ประกอบกระทบสัมผัสอยู่สัมพันธ์อยู่แล้วเราก็ไปติดไปไม่ชอบใจหรือชอบใจในส่วนใดก็แล้วแต่ก็ในเรื่องของความจะเกิดความเครียดนี่ก็บอกแล้วมันไม่สมใจของเราทั้งในสายไหนก็ตามใจต้องการไม่ได้สมต้องการโลภไม่ได้สมโลภโกรธ ไ, ไม่ได้แก้แค้นสมโกรธนี่สรุปง่ายๆนะเราก็ต้อง พยายามปรับพยายามเรียนรู้ความจริงเหล่านี้อย่างแท้จริงแล้วไม่ต้องวิ่งหนีอะไรมากถ้าวิธีที่บอกว่าจะบอกวิธีี่กวิธีไม่ต้องวิ่งหนีมากวิธีที่เราจะต้องชนถ้าสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันในขณะนี้นี่มีหมู่กลุ่มอยู่ตัง้ตงจำเป็นรอยอย่างนี้นะเป็นร้อยๆคนคุณเองอะไรอาจจะหลายคนถ้าคุณเองคุณเป็นนั่งชักเป็นชักนั ก, น, กนักที่ถือสามากกันนะ รู้สึกว่ามันไม่ต้องชะตากันซะตั้งในร้อยคนนี่ไม่ต้องชะตาทั้งตั้งยี่สพอเข้าได้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ชอบใจนักหรอกแต่ก็ยังไม่ร้ายแรงเท่าอีก20่สเนี่ยยีนี้ไม่ต้องชะตาเลยเห็นมันก็ไม่ไหวกระทบสัพผัน์แล้วก็ทําอะไรไม่ได้แต่อีกสัก20เนี่ยเออพอพอได้พอรุนกระทบสัพผันก็ยังพอไม่แรงนักเบาๆอยู่พอไปได้อีก20น่นี่ปฏิบัติร่วมกันได้เลยอีก สีนั้นเฉยๆไอ้เฉยๆนั่นมัมีปฏิกิริยาอะไรคุณก็ไม่ต้องไปะอะไรมากมายนะักทําร่วมก็ได้ทําอะไรก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมไอ้ที่ได้ทําได้ดีๆเนะี่ยทำไปด้วยได้ดีๆนะมันก็ดีอยู่แล้วแต่คุณไม่ได้ปฏิบัติทําเท่าไหร่เราได้แต่งานใช่ไหมทำร่วมด้วยดีโอ้โหไม่ได้มีอะไรแล้วมันก็สบายๆนะไม่ได้ปฏิบัติทําเท่าไหร่เราไม่ ม, ม, มีมีโจททีนี้อีกยี่สิที่ว่าเนี่ยก็พอทนได้เอออันนี้สิเอาอันนี้ ไอ้ที่บอกว่าไอ้ทีทนไม่ได้เลยยี่สิบนั่นแนหะแหมพอใกล้ปั๊บปั๊ป๊บปากแรงเลยทําอะไรก็ไม่เป็นอะไรเลยมันร้อนขึ้นมาชาๆเลยเอาทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปใกล้เขาก็เอาไอ้ที่มันพอทนได้อย่างนี้เป็นต้นอชัดไหมก็เลือกเฟ้นเอาสิเพื่อนฝูงคบหากันได้นี่งานการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหมู่กลุ่มยังไงก็ตามใจเพราะพวกเราไม่ได้บังคับกันเนี่ยว่าจะต้องไปแหมคนนี้จะต้องทําอะไรนี่เพราะมันเอาเงินเดือนเปล่านี่ เราก็ทําไปไม่ได้ไม่เป็นก็ฝึกหัดเอาสิงานน้นงานนี้เ อ, อ, อนนนเอนนี่อะไรแต่แรเราก็ทําไปมันได้ทั้งงานและได้ทั้งปฏิบัติธรรมได้พักผ่อนก็อธิบายไปแล้วเมื่อมันมันแรงเกินไปมันก็ได้พักผ่อนในตัวมันจับถูกจะจัดจิตยังไงปรับจิตยังไงมันจะปรับถูกเมื่อปรับจิตถูกมันก็ได้ผ่อนปรับจิตไม่ถูกมันก็สปากรแรงกระทบแรงร้อนแรงหนักเหนื่อยสู้ไม่ไหวดีไม่ดีเสียผละ แต่ถ้าพอดีพอเป็นได้ต่างตนอยู่ในความลำบากมันก็นได้สู้เมื่อกันต้องได้สู้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้สู้อย่างที่ว่านีะโอ้ยนี่ไม่เป็นอะไรเลยไม่ต้องสู้อะไรเลยสบายๆด้วยมันก็ได้แต่ ง, งา น, นไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเข้าใจนะเนี่ย ร, ระบบของมรยเจ้าเป็นอย่างนี้และคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะไม่มีตัวที่จะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนกลุ่มไหนคนไม่น้อยเนี่ยมันมีทั้งนั้นนะ่ เพราะคนมันต่างจริตและยังมีความลึกละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าเออเราจะปฏิบัติกระทบแรงเบาอะไรยังมีอีกลึกซึ้งซับซ้อนอยู่อีกในทีเพราะนั้นก็จะใช้ความละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนในทีนั้นนั้นก็ได้อีกถ้าคุณมีภูมิสูงแล้วคุณจะรู้ว่าเอออย่างนี้นมันได้ขัดเกลาเพิ่มเติมขึ้นสูงขึ้นเป็นชั้นเป็นตอนคุณก็ฉลาดเลือกเอาบางทีเราเอาเขาเป็นโจทย์โดยเขาไม่รู้ตัวเราก็แต่ดีนี่ หรือแม้เขาจะรู้ตัวก็ต่างคนต่างรู้ตัวต่างคนต่างปรับพ้องตัวเองจะต่างคนต่างชกกันสิก็ยิ่งดีเราเปนนักปฏิบัติทําด้วยกันเมื่อต่างคนต่างเอ้นี่มันมาเอาเราเป็นโจทย์นี่หว่าเอาก็ไม่เป็นไรเราก็เอาเขาเป็นโจทย์เหมือนกันดีต่างคนต่างไปในแง่ดีใช่ไหมไม่ใช่ไอ้นี่มันมาเอาเราเปโจทย์นี่ว่าแกล้งมันเลยว้ยเอาเลยออาแล้วกันแบบนี้สงครามก็ดุริแรงเท่านั้นเองไม่ได้เรื่องอะไรมันก็ไม่ได้ทางล้มเหลวไม่ได้ทางเสียหายไม่ดีเพราะเราต้องเอาทางที่ดี ต่างคนต่างตั้งจิตไว้ดีมีเจตนาลมที่ดีนะยิ่งอยู่ด้วยกันพวกเราอย่างนี้จะไปอะไรกันนกันหนาข้างนอกเรายังเอาภัยเขาได้เรื่องไม่เค้าถือสากันข้างในถือสากันอีกบาเด้อโง่ตายเลยแบบนั้นนะไม่ก็ทาแน่ใช่ไหมนี่เราต้องตั้งจิตให้ดีๆทําความเข้าใจให้ดีมีความเห็นดีๆแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติธรรมมากน้อยแล้วแต่ มันจะมีภูมิที่จะเลือกเฟ้นมีภูมิที่จะจัดสรรให้แกตนเองเอออันนี้แม้จะมันละเอียดละอ้อเราก็ปฏิบัติในเชิงละเอียดละออให้มันได้อันนี้มันหยาบก็หยาบมันหยาบมากจนว้อยู่ไม่ไหวเรากับกลุ่มนี้เราปฏิบัติ ท, ทําไม่ได้เลยมันกระทบร้อนแรงแล้วเกินแล้วก็นีที่หาที่เยอะแยะไปแต่อยู่ในนี้มีให้เลือกเยอะแยะเลยหลายขนาดหลายคนเย็นเย็นอย่างกับลมโชยนะคณอยู่ด้วยไม่มีปัญหาทําไมบางคนอ่าหลาหลายคนก็เย็นสบายสบายอยู่กับเขาได้ เขาบอกแล้วว่าอยู่เย็นเย็นลมโชยงั้นไม่ค่อยมีบทปฏิบัติเท่าไรโจทย์มันน้อยออก็เลือกเอกที่บอกว่าอันนี้เย็นเหมือนกันเย็นยังเป็นคลื่นบางทีก็เย็นแล้วก็มีร้อนบางมีอุ่นบ้างมอบบางีอันนนนี่บ้างพอไปไอ้นี่มันร้อนฉาเลยมันไม่เข้ากระเิดเราเลยแล้วก็แท็กที่ไรตะปาป้าปับเลยเนี่ยเอออย่างนี้เราก็หลบไปก่อนหรือเลี่ยงไปก่อนอยพึ่งไปกินซีพระละเราอยู่สู้ไม่ได้เอาไว้ก่อนก็เลือกเอาทีมีกันบ้า ง, งไหมล่ะ เรื่องก็ไม่เป็นชเชลลนะเป็นนะอาตมาว่าเป็นเนี่ยดีเราได้ศึกษาเราได้เราเรียนพวกนี้อาตมาเห็นว่าที่ได้บรรยายธรรมะอยู่ทุกวันนี้เนี่ยบรรยายไม่ได้บรรยายลอยลมมีแต่ตัวหนังสือมีแต่ภาษาบรรยายแล้วมันก็เข้ากับสภาพที่พวกเราเออเข้าใจอะไรขึ้นนะอาตมาว่านะเออเราได้รู้จักว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะเลือกเฟ้นอย่างไรจัดแจงอย่างไรอะไรต่างๆนานานีน่อาตมาเห็นว่าพวกเรานี่เรียนรู้แล้วก็มีวิธีการมีระบบมีอ น, นุนเนียอะไรนี่ ชัดขึ้นชัดขึ้นดีขึ้นมากขึ้นเมื่อใครใส่ใจที่จะฝึกฝนตนเองไม่ขี้เกียจไม่เสียเวลาเปล่าไม่ใจรัดผัดวันประกันพรุ่งอุตสาหะสนจกสนใจคมีข ม, มันปฏิบัติไปทำงานไปคุณค่าเกิดทุกอย่างสมรรถภาพก็ยิ่งเกิดศา ส, สนาพุทธนี่อย่างว่ามันห้าภาพนี่จะต้องเจริญแน่นอนที่สุดนจะเจริญแน่นอนที่สุด อิสระเสรีภาพกวอธิบายฟังแล้วมันจะต้องอย่านั้นแหละเราไป็ไม่เป็นทาตุไอคำว่าไม่เป็นธาตนี่ไม่ใช่แค่โลกโลกตามใจตัวเองได้คืออิสระเสรีภาพเออรันฮิปปี้นะบําเอรอตนไม่ใช่อย่างนั้นเราเรียนรู้ลึกซึ้งกว่านั้นนะในพบในที่เราต้องการอันใดเราก็ไม่เอาบําเอรอในสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือแม้แต่จะเป็นนั่งสงบแล้ก็บําเอรอตนชนิดหนึ่งนั่งหยุดเช่ยชยชยเอยไม่เขาทาแล้วเราก็เรียนกันแล้วนะแม้แต่อย่างนั้น เพราะอิ ส, สรภาพนี้เราก็มีสภาพจริงแล้วยิ่งมีพราดอร า, าพเพราะว่าเราก็ปฏิบัติกันพอเวลามันยังเข้ากันไม่ได้จนกระทั่งเข้ากันได้จนกระทั่งดีด้วยกันทั้งคู่ไปได้วยกันอีกสมานสามัคคีเป็นพี่เป็นน้องสิ่งอย่างนี้เลยเป็นความสัมพันธ์ของมนุษยชาติที่สูงส่งญาติธรรมนะญาติธรรมนี่มเป็นศัพท์ที่จะทราบซึ้งมากแต่คุณเห็นคุณเข้าใจแล้วแล้วพวกเราก็เลยมีตัวอย่างแล้วมีของจริงกันไม่ใช่น้อยแล้วนะ ได้สูงยิ่งยิ่งสูงกว่า น, นี้ได้อีกไม่มีปัญหาอะไรนะมีญาติธรรมมีสันติมีญาติมีสันติภาพมีพระราดอลพ่าอะไรขึ้นมาจริงๆริงนะสันติภาพมันก็สงบเรียบร้อยของเรานี่มันไม่เดือดร้อนอะไรมากมายเราสงบขนาดนี้สงบกว่า น, นี้เรียบร้อยกว่า น, นี้สมบูรณ์กว่า น, นี้ได้นะมีสมรรถภาพบอกแล้วว่าสมรรถภาพใหม่มีสูญเสียนะแล้วก็จะเจริญขึ้นไปมีบูรณการอยู่เรื่อยอะไรเสื่อมพเพิ่มเติมอะไรไม่สมบูรณ์เพิ่มเติมบูรณภาพ ไปเรื่อยๆอัตมาว่าอัตมาได้จัดสรรเรื่องห้าภาพนี้นะเมื่อวานนี้อาจารย์วิกิจยังมาเติมอีกนะโอ้โหที่ซักซ้อมไปเราเป็นวันเนี่นะเอาไปคิดไปคนพอนักวิทีเออนักปรัติศาสตร์นักวิชาการแล้วบอกว่าเออห้าภาพของท่านนี้ไม่ขาดไปอั น, นหนึ่งหรอว่างั้นอัตมาก็บอกเอออะไรขาดไปอันหนึง่งเขาเห็นสําคัญเหมือนกันน ะ, อะพอพูดขึ้นมาคุณก็จะเห็นสําคัญอะอะไร ความเสมอภาคเขาว่าโอ้ความเสมอภาคไม่ขาดไปเลยอรรมาถามอรรมาอ้ดีแฮกเก่งนะทำความเสมอภาคอรตมาก็เลยบอกว่า โ, โดยพวกเราที่ศจจทรรมนี่ห้าภาพนี่สมบูรณ์แล้วเพราะว่าเสมอภาคมันมันไม่มีหรอกเสมอภาคไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องของลวงของปรมโลเป็นอุดมการเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยในโลกนี้เสมอภาค ผู้ที่ดีที่สุดคือผู้ที่เสียสละที่สุดผู้ที่เสียเปรียบที่สุดโดยความรู้ความจริงด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เราจะอนุญาตในเขาร่ารวยกว่านั่นเป็นเราเสียสละนะและเราทำอย่างนี้สังคมจะอยู่ได้จะให้มาเสมอกันเลยนะทาให้ตายคอมมิวนิสต์พยายามแล้วจะมากดกันไว้อะไรกันไว้เพื่อจะแชร์ไม่มีความเสมอภาคนั้นเป็นปลอมโลก เป็นคํำสวยๆดีฟังก็สวยดีให้มาลดลงมาบ้างเพราะว่าในจิตวิทยาในจิตลึกๆจิตวิทยาธรรมดาลึกๆนี่นะคนมันไม่ยอมเสียเปรียบใชมาหด้วยกิเลสค น, นไม่ยอมเสียเปรียบเอานะ่ะไม่ต้องเสียเปรียบเท่ททากันก็นแล้วกันเขาก็เลยเอาคําเสมอภาคมาใช้ประโลมไว้เท่านั้นเองเท่ทาๆกันกันแล้วกันนะอะ่ไม่เสียเปรียบคุณก็เอาแค่คารเท่าๆกันเออย่างนี้ก็พอทนะถ้าใายไปเสียเปรียบเขาไม่ยอมเพราะกิเลสมันมีใช่ไหมคนทางจิตวิทยาธรรมดาเงิน แต่จริงๆแล้วนี่คนที่รู้ชัดอย่างพวกเราเนี่ยเรามาเสียเปรียบนี่แหละเราเป็นคนยอดนี่ไม่ได้หลอกคุณนะคุณเสียสละได้คุณเกื้อกูลคุณมีประโยชน์คุณค่ายกับเขาได้มากๆแล้วคุณก็รู้แล้วว่าชีวิตของคุณแม่น้อยกินน้อยใช้น้อยแค่นี้คุณก็พอใจแล้วนีิสันโดษจริงแล้วอ่ะชีวิตกระเบิกบ้านล่าเริงหนุ่มขึ้นอย่างอาตมาเราก็กินแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ก็หนุ่มขึ้นดูด้วยซ้าไปไม่เห็นมันจะตกต่ําตรงไหนไม่สุดทซมตรงไหนใช่ไหมเราชัดเจนอาตมาชัดเจนอาตมาว่าอาตมาชัดนะ แล้วก็มาเป็นผู้เสียสละให้ได้มากๆจริงๆและคนที่มันสอนไม่ได้เอาเวนายศาสต์นี่มันจะเอาเปรียบอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่รู้หรอกมันไม่มีธรรมะมันก็ขี้โลภอยู่งั้นน่ะไอ้คนที่ปฏิบัติทําไม่ได้แล้วมันจะขี้โลภอยู่แน่นอนเราต้องเผื่อให้มนตมาบอกแล้วน่ว่าเราจะต้องเกื้อกูลอ่าเด็กคนแก่คนป่วยคนพิการคนไร้สมรรถภาพไอ้พวกนี้มันจำนนใช่ไหมเด็กมันยังไม่เป็นคนแก่ก็สรีระก็แย่ก็ต้องช่วยกันแต่อย่างนั้นก็ตาม เราก็ต้องช่วยเราก็เราก็ต้องเผื่อแผ่ต้องยอมเสียเสียเปรียบให้มันอีกสองคนคือคิดเกียดกับคิดโกงก็มันอยู่ในโลกมันมีมันเสมอกันที่ไหนเราก็ต้องให้มันถ้ามีคนอย่างนี้ในโลกโลกสงบไหมสันติภาพเกิดไหมเพราะฉะนั้นคนที่คิดแบบเอ่อฟิโลโซฟีว่าโอ้ทุกอย่างทํามันเสมอภาคกันแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้สงบมันเป็นฟิโลโซฟีเป็นอุดมการณ์ ปรัชญาลอยลมมันเป็นจริงไม่ได้ความจริงไม่มีในความจริงและเสมอภาคไม่มีมีแต่ผู้เสียสละสูงสุดนั่นคือผู้ประเสริฐผู้ที่ได้เปรียบอยู่เขาก็ต้องเอาเปรียบเพราะเขายังมีกิเลสแล้วจะให้คนหมดกิเลสทั้งโลกไม่มีอาราตมาได้สาธยายทำเพิ่มเติมในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็เหลื อ, อแต่เราจะปฏิบัติกันให้จริงจังให้มีพ้นแท้กันทั้งนั้นพอ ก็จะแจ่มใสลองยิง้มยิ้มหน่อยได้ไหมอย่าอายที่ฟันร้อน